แล้วเราจะคุณคําคดีไปด้วยทําให้กลัวความเพียรเนี่ยมันก็ไม่ท่านก็ไม่ว่าโอ้บ่เออมันค่อยๆเป็นก็สบายมันทํามันก็ค่อยๆแล้วค่อยๆแต่เราก็ปล่อยไม่ถอยไปเพราะไม่กลัวเดินสิ้นเดินไม่ถอยกลับมา มันเป็นมันหน่อยยอมตัวไปแล้วก็เดินกันเดินเข้าดับตรงนี้แหละมันนี่เพิ่งมาเสร็จแล้วก็เดินมานั่นแหละมีทางน้ําคูให้จิกขึ้นตลาดอบงี้อําเภอวาริกาคูณทางข้ามมานี่บ้านออกจากอําเภอออกจากบ้าน ตรงเถอะตรงเถอะนะสิบนคลองนี่นี่คือมหาวิถีบ้านละไม่พร้อมๆกันคือมียักษ์เก่านะทางนั้นนี่ตรงเดิน 8 ขึ้น 8 ขั้นตรงนี้ก็ประมาณนี้จะมีสาวตรงนี้ก่อน 15 คำว่าประมาณ เรียนประยุมทางข้างเดียวนี้สงฆ์ตา 3 ปีองค์นั้นพอเราไปตั้งแต่ท่านก็ถึงวันวิสาขบูชาทั้งนี้ 6 ค่ำที่นี้ด่วนลงทางพรรณนานี้พอไปพอเช้าแล้วก็เป็นหลากหลายเลยเต็มเรื่องของมาของนี้หมดอันนี้น่าจะได้มาตั้งนี้ มันก็แปลว่ามีความรู้มีบุญถึงชอบเปิดปัญญาขึ้นทางนั้นมันเอามันโดยในทางนั้นถ้าเป็นที่พูดแบบเราพูดแบบนี้ก็เปิกเพราะเราไม่ไม่เผอนี่มีถ้าดุจอย่างนั้นก็พูดมาอย่างนั้นถามเขาเขาก็บอกข้างๆเขาบอกเข้ามาหาตําหนายากว่าเขาเป็นคนมาทางแพทย์ครับ ที่โรงพยาบาลนครคำด้านในห้อง 8 นู่นน่ะมันไม่เดิมนะท่านถึงแล้วนั่ง 1 ก็ไปขอมาการแปลกนี้ที่จะคนอันที่น่ะความเป็นของโรงพยาบาลนครคำห้อง 8 ระวังมาครับถามเขาว่าขอมาตัดตาแล้วขึ้นมานั่งถามว่าอยู่ตลาดบอกให้เอาตะไบยาเพราะไม่ได้บอกว่ามียาถ่ายยาทอนงั้นเอามาตะไบยาทางวานนี้ ตบผู้ใหญ่ตบขายานี้อีหยังพอเกิดขึ้นมันมีปวดอยู่มันปวดมองไปนี่พอมองนี่ก็อย่างนั้นโอ้โหมันน่าสะเดงครับตันเข้านี่เลยนะมันก็ไปขั่วขากก็ยากกว่านั้นจริงๆนะที่จะไปขั่วขาไม่ถึงทางเพราะฉะนั้นอาการมันโง่เหมือนกันนะนี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยครับมันก็นั่งไปกี้อยู่ <c oughs> ปั๊มเนี่ยไคลกุบออกถึงโอ้ไม่ได้อยากกว่านั้นใครหยิบตานี่ไม่ได้นั่นนู่นมันออกมาแล้วนะถ้ามันน่าเสียหมดก็ไม่เข้ารบกวนไปไหนดิมันก็มีนาถ่ายเรื่องนี้อือเค้าก็บอกกันมาได้ไอ้เปล่าเค้าพูดกันต่างกันแต่น้ําก็ขวดมันมีมองที่พาขวดนี่คิดดูปั๊มอะไรที่ขนาดที่ว่าล้ํามาอยู่ตรงนั้นนี่ออกข้างมาอยู่ ผู้อยากนั้นขอดีเหมือนกันนะครับตานั้นน่ะอย่างเป็นขนาดสุดนี่เขาก็ถามมาก่อนไหนเค้าก็จับให้มั้ยจับเออคนนี้กับคนนี้ระหว่างนั้นยาอะไรกันระหว่างนั้นน่ะได้ผ่านพอไม่เป็นไรนะครับพวกผมมียาห้ามบานี่แหละทานทันทายแล้วก็หยุด เมื่อไหร่ครับฉันจะห้ามพระนิพพานอ่อเพราะว่ามันก็เหมือนกับเขาต่อเลยนะมันไม่เคยตายใจนะแล้วเขาออกมาเอายาคนนั้นออก 1 เทศน์ท้อนเสื้อท้อนเสื้อพอดีพอดีให้ธรรมพระองค์เนี่ยขึ้นไปนะครับแล้วตอน 2 ผมผมจะเอายาห้ามออกมาถวายเพราะว่างั้นนะแล้วเข้ากับหมู่เพื่อนนะแล้วก็ฉันอือ ตัวครบกับไม่ได้นะมีเพื่อนถ่ายต้นนัก 7 ผล 8 ผลเราฟาดไป 25 ผลถ้าเขียน 2 ผลเป็น 20 เออ 2 ถึงสว่าง 18 ผลจากสว่างไปเป็น 9 ผลเลยมันจะเป็นเอา 8 กับ 7 เป็น 15 25 27 ผล อาเจียนของอาเจียนออกกันอย่างรุนแรงใช่มั้ยคือมันพุ่งไปจนติดฝาคนหมดกําลังขนาดนั้นอํานาจของความอาเจียนนี่มันทํางานยังพุ่งกระทบไปฝานั่นตอนนี้ก็ตอนนี้ก็สลบไปตรงนั้นอาเจียนเต็มที่แล้วนะครับอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงไม่ฟังร่วมหมดเข้ามาเยอะประมาณกําลัง เสียดึกเพราะนั้นแหละควร অনুমান หรือเอารุ่นนี้แล้วลงตั้งถอดเข้าไปหมดเลยอย่างงี้อย่าห้ามมันแค่นี้เถอะมันมีแต่ชื่อมันไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าไม่อือเข้าไปหน่อยโย่เดี๋ยวนี้มันจะกว่า โลกนี้เป็นโลกตายมากน่าที่สุดเรารู้ในตัวเรานี้แต่ว่าไม่ลําบากกับใครผมไม่ต้องก็ปิดลายังมั้ยไม่ต้องให้ลําบากกับใครเราไม่ต้องการความวุ่นวายอืมไม่ต้องหมอเรานี้มากขึ้นไม่ได้เลยอยากเป็นหมอเราเองไม่เป็นไม่เป็นหมออืมดูหื่นจะมาก อ่าครับไอ้เจ๋น่ะเดี๋ยวมันยางเต็มตัวมันไม่จําไม่รู้ไม่น่าหรอกอืมไม่มันไม่อยู่ก็มันไปเราไม่เคยไม่ธรรมดาอยู่ก็แค่นั้นแล้วเคยอยู่มาดีๆเดือนแล้วมันไม่สนขนาดนั้นเดี๋ยวล้มตั้งในเรื่องจิตใจมันจะอยู่ไปทําไมเมื่อมันอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปอย่าหวังอะไรมันยุ่งน่ะตายครับอยู่ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกกันเลยเนี่ยพอรู้มันอยู่ดังกันเหมือน pues มันยังเป็นตนที่ตนที่ตนแล้วก็เป็นไปก็อยู่ไม่มีอะไรก่อกันเนี่ยอยู่ก็คือธาตุขันธ์นี้ก็คือคือตรงนี้เนี่ยไปก็คือธาตุขันธ์นี้สลายไปสู่ธาตุเดิมเท่านั้นจิตทุกเครือนี้เนี่ยมันมันเคลื่อนไปเปลี่ยนไปพอที่จะคิดปกวิจารณ์คนนั้นคนนี้เนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยมันถึงความชินแล้วมันเป็นอย่างงี้มันไม่มีทุกข์กับทางเดินตายหานก็ไม่หานนะ ให้กลัวมันก็ไม่กลัวแต่มันจริงเนี่ยมันอยู่ตรงจริงนะเชื่อความจริงจิตก็เป็นความจริงด้วยไม่จําเป็นจะช่วยหรือเปล่าคือตรงความจริงตัวเต็มๆก็คือมีอย่างต่างอันต่างจริงแล้วมันจะไปกระทบกับคืออะไรอืมมากมันมี <c oughs> <c oughs> พิจารณานั่นครับเพิ่นอันนี้มันสิมีกรรมที่อย่างที่เราบอกแล้วนี้ก็มันมาติดเหมือนกันเพราะที่ถึงมีสายทั้งปู่บรมทุกท่านบอกกันแล้วไม่แล้วต้องไปบอกแล้วคนนั้นมันบอกนี่บอกคนเดียวแล้วจะบอกกันต่อไปมันยอมบ่เพราะนี่มันไม่ลงบ่มันเฉยหมดเลยเด้อมันไม่ต่อคําพูดนี้กูบ่อาตมาบอกกินได้แล้วบอกกับผู้ใดแล้ว มีพรหมควรจะบอกกันต่อๆไปไม่ต้องให้มันซ้ําซ้ํากันต่างคําว่านั้นคําว่านี้มีความสําคัญไม่ต่างกันเท่านั้นต่างคนก็ต่างกันถ้าต่างคนต่างวิชาต่างคนต้องถือในทุกสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนซึ่งเป็นของอีกทีแล้วเป็นความถูกต้องมันต้องเป็นอย่างนั้นเราเคยเป็นคุณน้อยมาก่อนจะเป็นผู้ใหญ่ก็ไปยืนมาเฉพาะอย่างนี้อยู่ท่านทั้งแม่เอามือซี้ใครจะฉลาดนั้นคงคิดครั้งเปลี่ยนแปลงหาวมาต่างๆ มันสําคัญนายะยิ่งขอท่านท่านมั่นมีทั้ง 2 คนนี้ตลาดหือเพราะท่านจะมั่นเป็นตลาดจองปรับในปัจจุบันผมยอมในเจ้าคณะภาคสงฆ์ครับท่านเป็นจองปรับในปัจจุบันถามว่าในทางโลกการยังไงท่านทําไม่เป็นอริยะละคะทางใดทางหนึ่งแน่นอนของความแก้วแคว้งนี่ที่จะได้ไปนั้น <c oughs> นี่เป็นราคาแน่นอนของท่านเจ้าข้าความต้องการตลาดพิเศษไม่พบผ่านกับผู้ใดนครคันก็อยู่ในแต่พระได้มากต้องมีราคาของมีกรมท่านไม่ขลาดนอกจากร้านโดมผู้ศรัทธาผู้ภาวนาเป็นไปแล้วท่านติดตามถ้าภาวนาเป็นไปก็ติดตามกันที มันไม่ตามอ่ะดูเหมือนว่ามันเหมือนว่ามันควายกันสปอยล์มันควายมันนี่สปอยล์ถ้าท่านสปอยล์มันจริงๆเหมือนกันมันเคยเคยหมายอ่ะเป็นผู้น้อยพูดว่าตามว่าอะไรมันถึงจะถึงใจทุกอย่างมันไม่ได้เลยเพราะว่าถ้ามีเผ่าเตือนหมู่เพื่อนทันทีทันทีอยู่ทางนั้นน่ะบางทีกันตอนนั้นน่ะนะ ที่บอกว่าดอกจริงๆอืมที่ว่าตรงไหนที่ทําอยู่ตรงไหนนั่นคือที่ผิดนั่นคือที่ผิดนักบอกเป็นเพื่อนทันทีทันทีทีไม่พาทําทําทันตะสัตว์และทั้งนั้นอย่างทุกเป็นดูกําหมู่พวกนี้นี้บอกว่ายกมือเลยบอกว่าให้บอกยกขึ้นบอกให้ขอขังให้บอกนี่ที่เคยบอกว่าไม่ใช่ของละอีกพอที่จะถ้าเหมือนท่องบทมนต์ บอกหนีออกเข้าใจทําไมจึงต้องทําซ้ําๆนี่ดิพี่มาขึ้นมาพอเราเคยเป็นผู้นําเหมือนกันรับปฏิบัติงานกับครูอาจารย์พอเราไปไปมานู่นอาจมุ่งทํานู่นพรรณที่คุณพูดมานี่เราแม่แต่ว่าจริงไม่เห็นใดที่เจอมันจะไม่หล่นหรอกอย่างที่บอกไม่ให้เทที่ตรงนี้อีกต่อไปก็ไม่เพราะมันสูงพอแล้วเทกันใหม่ รู้ที่ทําให้ไปถึงว่าเขาจะไปที่ต่ํานั้นเพื่อจะปรับปืนพื้นเกณฑ์ไม่ค่อยถึงเท่าไรได้เลยอย่างกลับคือว่านี่น่ะมองอนาคตสมัยยังตรงนี้ถ้าต้องการปรับปวดก็ต้องรักษารานไว้ด้วยผู้จะปรับปวดฟาดหีหีหีความแนวเหมือนกันฉะนั้นมันศักดิ์ไปทําไม่ได้เป็นจิตวัตรข้อวัดอะไรตามตามนี้ซะการปรับปวดก็มีสติสัมปัฏฐา ก็ก็มีมั่นระวังรักษาตัวไม่อังเกอก็เสร็จข้างขวาก็ต้องพิจารณาอันนั้นกว่าที่ไหนที่ควรจะหนักมือที่ไหนควรจะเบานั่นแหละหน้าฝนพิจารณาด้วยนั่นแหละง่ายแล้วก็เกิดง่ายสถานที่ที่ควรจะเบามันก็เบาก็จะเป็นขอบดงขึ้นสูงรู้มั้ยแล้วจะถึงบอกได้เข้าไป คนมาเพื่อรับทานหนทางของมันไม่ได้นั่งมาถ้าเราไม่บอกเดินไปนั้นมันเห็นเพราะเวลามันถึงเห็นพอตากับความรู้มันไปด้วยกันมันไม่ได้แบบๆมึนๆมองๆนั่นไม่ได้คุยนะขอถึงไหนความรู้ถึงนั้นคือมันพร้อมๆๆตาถึงไหนความรู้ถึงนั้นเจอเลยปั๊มมันรู้ทันทีมันเข้าใจในทันที มาสวดตั้งทีพอแล้วก็ค่อยรู้ไปตามกันกับท่านตาท่านครูไม่ใช่แบบจับแต่ว่าดูจับแต่ว่าฟังมันเป็นความจริงของมันมันติดตามหรือว่ามันมันเป็นหลักธรรมชาติอย่างนั้นตาก็ภาพมันก็มันเห็นสําคัญนึงมีสตินี่คือจิตไม่ให้ดื้อถ้าสัมผัสมันก็รู้ได้เลยมันมีสติอย่างว่างั้น ถามไปทิ้งไปท่านนึงสลับกรอบก็เห็นนะอ่าวงปฏิบัติไม่มีครับมีแค่เอาไปณวันนี้เห็นมั้ยเดี๋ยวนี้เค้ากําลังลากเข้ามาฐานขาท่านท่านนั้นเนี่ยใครไปที่ขาท่านท่านนั้นโอ๋เดี๋ยวนี้จมูกไอ้หูตลงฝีดูงามไม่เข้านะจมูกดงงูจะจมูก เรื่องนั้นเนี่ยโหดมากเลยหอยหลายแล้วก็ลูกศิษย์สายท่านท่านนั่นเออเค้าก็มาลากไปเข้าทุกทีนี่เข้าไปทีนี่ไม่ดีด้วยยอดได้เงินค่าจ้างเอามันเค้านี่เหรอเอ้ามันความหมายของนั้นเนี่ยไม่ได้คืนเงินต้นหลักที่เต็มของหลักคําคําทั้งหมดทั้งตัดทั้งนั้นซึ่งเป็นผลเสียอันจะเสียไปด้วยเพราะการทําอย่างนี้นะคนเราถ้าคําคําหนึ่งนั้นแล้วจะให้เป็นไปต้องรักษา อัปปะไม่เป็นเช่นคนวารักษาข้อปฏิบัติให้แน่นห่ามั่นคงไม่เอียงไม่เอียงอันนั้นมันเรื่องสมบัติภายนอกเรามันมาหลอกให้มันหยุดยั้งไปได้ทําได้อย่างทําไมไม่เลิกทําอย่างนั้นอือองค์นั้นเป็นหัวหน้ารับทําแหลกหมดนะนี่เอาอมิตเป็นหัวเป็นหน้าเป็นหัวหน้าแล้วทําทั้งแหลกหมดอามิตยืนได้เพราะหัวใจไปยึดกับอามิตย้ํากันหนักแน่นทางนู้นผลต่างกันมาก ให้ทําธรรมะออกเบาๆเบาๆไม่เหยียบธรรมนี่ดูฟังธรรมในโลกแล้วไม่มีเวลามาทําลายงานการคือปฏิบัติต้องคงเส้นคงมาควรไปไปควรทําธรรมให้พ้นผลไม่ธรรมถ้าจะมานิมนต์ 400 4,000 คนตามถือเหตุผลกันทุกท่านความถูกต้องดีงานปฏิบัติถ้าไม่ถูกต้องงานนักใครก็ตามไม่เล่นด้วยเพราะหน่วยเพราะธรรมสูงอยู่กับคน แล้วแม้แต่ปัญหาก็จะลืมคุณนั่นจะเป็นผู้รักษาเพียงนั้นแหละอานลมข้างนั้นลมเลยให้ลมไปลมไปในหลังนั้นน่ะให้มันหลับไปทั้งคืนฟังนี่เคยว่ามาแต่ตามไม่คุยไม่อวดเลยดูคุณไม่ท้องแล้วจะเป็นปลายทางอสุรังไม่เห็น อืมนี้เลยตามวันต้องการนี่วัดต่างๆก็เข้ารับเหมือนกันแค่ว่าใหม่รถบรรทมะสาร 4,600 7,000 แล้วท่านท่านขาวนี่ 4,000 วัดเราทําอะไรมาดูมาทํามาด้วยทํามาแบบนั้นอืมเอาเกลี้ยงเลยก็ไม่เล่นด้วยไงมันไม่สนใจกับใครก็อยู่คนเดียวก็ทํามาทําขอหีนึงไว้ไกลก็พอ เกิดเศรษฐาจากพวกหมู่นี่มาจากทางไทยนี้เขาปู่ที่วัดหลวงปู่อาจารย์ขาววัดตนเทศเรื่องเขาก็เฒ่านี้ตามเรื่องปล่อยตามนั้นสมมุติวันนี้คือสําคัญมาละโอ้โหเลยนั่ง มันเลยมานั่งอยู่หน้าประตูนี่แหละต้องตาพูดกันได้เรื่องมาคงนั่งนอนมาส่งให้เป็นประโยชน์อะไรนะผมอ่านเองก็ได้นะเพื่ออ่านให้มันมันเกิดนี่จะทําเพื่อประโยชน์อะไรความมีอยู่วุ่นวายไม่เล่นด้วยเนี่ยขอความวุ่นวายกันนี่เมื่อเราอนุญาตคนนี้คนนั้นจะต้องมาขอมีเป้าหมายแต่บ้านเป็นมีแต่ความ เรื่องทุกข์ที่ต่างๆไม่ใช่อะไรถ้าไม่เล่นด้วยบอกอย่ามานะระวังถ้าไม่ยกถูกมันสําคัญนะสว่างอืมต้องคืนตนจิตใจทําเองทางโลกแล้วไม่เรื่องแล้วทํานะไม่พลาดจําให้ดีนะ ขณะที่ท่านเอ็มเธโร่เองเป็นหนึ่งอนุรักษ์นะฮะก็ต้องทําหมายข้อพระปฏิบัติไปตั้งแต่เล็กน้อยแล้วหมกไปหมกไปจนด่าทีเดียวใครหาความเจริญได้ได้ขอรับบริวัติได้ถึงที่หนึ่งว่าเพราะการหาความเจริญได้ไม่ได้ใครเรียนแล้วเพราะฉะนั้นหลักใจคุณอย่าสําคัญมันมีอันใดที่จะมีเสร็จดีกว่าธรรมเพียงเท่านี้พอแล้วเอาวิชาปลิเสร็จด้วยท่าน ความวิเศษนั้นมันเกิดด้วยธรรมไม่ใช่วิเศษด้วยธรรมโลกามิทั้งหลายถ้าว่าจะวิเศษด้วยนั้นแล้วคนทั้งโลกคงมีกันนั้นทําไมไม่วิเศษกันอย่างเท่านี้ก็เป็นเครื่องต้านทานกันได้อย่างคนไม่เต็มหนังหาขมุนได้แล้วกินแล้วถ้าเราจะนํามาสอดหนังอืมปามิที่อาศัยกินอยู่ทุกวันมันจะตายอยู่แล้วย่นปากเหลือคอไปกินอะไรหนักหนา ยังอํานาจคนนี้หว่านเส้นไม้ขึ้นมาเองขึ้นไปของเขามาแล้วเสียคับเสียคอแล้วก็ฟื้นดังนั้นแหละความจริงมันไม่ได้สะดวกสบายนะคนเราหมากนะหินสายเราเดินอาจจะเสร็จทั้งบ้านเราเป็นผู้เกษตรแต่ไม่ได้เห็นไปเต็มตัวด้วยนี่ความรําคาญยิ่งจากนั้นทางนี้พระเราก็น่ะเพิ่นขึ้นหน้าสงสารพระนี่ทางนี้กับครบชั่วโมงก็ไม่เก็บไม่ขึ้นไป ใครมีใครมาก็มีรายทั้งนั้นก็มาถามมีไม่มีใครไม่ก็ยังมีอาหารเป็นพื้นนี้เต็มเท่ากันมาทั้งทานมันก็เหลือเปล่าๆเหมือนกันมีเราไม่เคยทํามาแล้วหมู่เพื่อนก็ได้เห็นความลําบากลําบนของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเคยลําเลือนมาแต่ก่อนให้ท่านทั้งมั่นท่านเคยเล่าให้ฟังแล้วหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์ก็อยู่กับท่านเล่าให้ฟังเสมอวันนี้ท่านว่าขึ้นมาได้ก็เข้าเปล่าไปอยู่ที่เนี่ย <imen> อย่างที่ที่ผู้โยมพูดเรื่องเกี่ยวกับพระพรหมทรงเถอะเนี่ยนั่นแน่มรรคมีแสงให้ทั่วถึงกันหมดอืมถ้าท่านมุ่งธรรมอันนี้พออย่างชีวิตให้เป็นไปนี่ปฏิปทาของท่านอดยากนะปฏิปทาพูดให้สมบูรณ์ในทางธรรมทั้งหมดโลกามิตตังอาขืนบกพร่อง ต้องต้องอยากเป็นภรรยาแต่เมื่ออาจารย์ไม่เป็นรวมแล้วไม่มีอะไรก็แต่มุ่งต่อประธรรมท่านเจริญด้วยความอวยอยากครับแทนความสมเคลียงใจเจริญธรรมด้วยธรรมเพราะความอวยอยากครับเธอไม่ใช่เพราะความทําบุญทั้งผลน่ะที่เป็นกวนนี่มันเหลือเก้ออีมันนั้นเต้นๆอ่าคนมหาคันไม่พูดกันได้นี่ ว่าในสิ่งที่ควรลงสร้างลงไปเพื่อเด็กน้อยพอผู้ใหญ่ไปกําลังกันเหนื่อยแล้วนะยังไงแก่ร่วมกันเห็นว่าการกินคงคุ้มค่านี่มือนี้ทํามาเป็นทําใหม่มายกคนแบบอื่นแล้วก็ 1 หาโอกาสมีเวลาไม่มีเวลาประเตือนเค้ามั่งก็เราก็ตักเตือนถึงข้ออกข้อทําเนี่ยก็เป็นข้อคิด มันต้องควรอยู่หน้าให้ผานั่นเองทันทีไล่ห่างไปเลยไม่เห็นใจลูกใครอยู่คนเดียวแล้วพอลําบากก็มาอย่างไม่สะบานทั้งหมู่พวกเพื่อนเพราะยากเพราะยุ่งฉะว่ามันความเป็นตัวกับโกโกะก็ความเป็นผู้ผู้เดียวแลมามา กวนได้มั้ยอันนี้กาแฟที่ปฏิบัติมาบ้างพอเป็นเชื่ออันท่านมาเล่าให้เพื่อนฟังเวลาพอมีมันก็หาอยู่ตามบ้านได้น้อยมากนะเค้าบางอย่างต้องอยู่ข้างนอกถึงมาลงเค้าก็นับถือมากแล้วก็เอามาหาเรื่องมาดูเรื่องไม่เคยหลบมันอยู่ต้องหาอยู่บ้าน 20 ตั้งโรงเรียนบางทีมีเรือน 14 45 หลัง 6 หลังเรือน ท่านเนี่ยอยู่งั้นกันล่ะอดบ้างกินบ้างเราไม่สนกันพอเราเคยอดเคยกินมาพอแล้วอดสักตั้งกี่วันน้องเคยอดแล้วเนี่ยอันนี้ธรรมทุกวันไม่แม้มาอีกมันก็ไม่ตายนี่อันนี้เวลาธรรมน้อยเป็นยังไงอย่างงี้ผลของการภาวนาเป็นอย่างงี้มันเด่นตรงนี้อยู่นะธรรมมากๆนี่อุ้ยเหมือนหมู เพราะตัวงามนะอ๋อนานนั่งเดินคงเหมือนเสพกรรมฐานเคลื่อนที่มีเรื่องคนนั้นนั่งค่อยๆตะหลับนั่งครับทิดอาหารงั้นเข้ามีแต่ผ้าเปล่ายืนตายมันจะกินได้มากแค่ไหนผ้าเปล่าอือแล้วก็ถึงนั่งแล้วล้างบาตรก็ก็บาตรล้างนี่คือเอาไปเข้าทางสงฆ์มีชั่วโมงเก่าน่ะไปนั่งเรื่องใหญ่อยู่ตรงนั้น ตอนทั้งคนเดียวจะนั่งแล้วก็มาถึงป่าก็ถันบูลังบัดเสร็จนั่งอําบัติวางยังไม่ค่อยกลัวเลยแล้วฟ้าก็เข้าทางคนมันเดินไปเต็มเมื่อยนะนะพักๆนิดนึงทําให้ลุกขึ้นนั่งภาวนาชั่วโมงนึงออกอ๋อแล้วร่างกายก็หนุ่นยังไม่ต้องไปตักกวาดทีไม่มีอะไรมาติดมาต่อมายุ่งมายุ่งนะ คนเดียวกันน่ะมันก็ควรความเตรียมสืบเก่าด้วยน้ํามันน่ะปัดกวาดเสร็จแล้วลงอีกดังงุมถ้าเดินง่ายกันคืนก็เดินเพราะว่าอยู่ในป่าถ้าเดินลึกมันก็เดินลําบากเนื่องจากเราเอาเครื่องไขไปมากไม่ได้เพราะมันหนักเอาไป 2 3 4 ห้องเด้อสิจะได้กี่วัน ท่านเปรยถ้าใครจะเวลาเป็นธรรมะก็นั้นมันหลับอ่ะเพลินขายภาษาญาณด้วยเนี่ยเป็นอย่างนั้นน่ะมันมีฝุ่นบางเข้าอยู่ทั้งกรรมมันเราทุกต้องเดินมากผลคืนเรานั่งมากนั่งจริงๆธรรมดาธรรมดานี่คือนั่งอํานาจธรรมดาในคืนไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงนี่เป็นถือเป็นธรรมดา 3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 1 ก็ต้องกําลังชั่วโมง เราตั้งให้มันหยุดฉะนั้นนะคือเราจะเอายาหมดเดินกันมากเพราะคืนเรานั่งมาถ้าเดินหมาแล้วก็เดินจนผมได้สบายมีหน้าไปบ้านมันร่วมไปแล้วเราก็จะไปทําทางคงไว้ที่โรงโล่หน่อยแล้วเออโรงโรงอาหารน้ําก็เห็นถ้ามีใครว่ามีตั้ง 4-5 ชั่วโมงกรรมกิจที่นี่ 20:00 น. 5:00 น. น ฉันจะไปก่อนนะพาเสร็จแล้วก็ไปเรียนคอมแล้ว 4:00 น. 5:00 จะ น. จะมามาร้านเจอว่าบ่ตินะมาร้านทําบักตีนไปมึงก็อย่างว่าร้านไม่ได้อยู่ทํามาผมจะสอนความเครมันสืบต่อกันติดมันแน่วแนบนี่ความมันอย่างนั้นน่ะอาหาร ไม่สนใจไอ้ลิ้นน่ะมันเป็นน่ะพามันแสะๆแแซงธรรมน่ะมันเกิดอยู่ทันทีไอ้ลิ้นน่ะแต่มาให้ลิ้นมันแแซงธรรมเนี่ยอือไม่ให้ลิ้นมันเหนือธรรมแล้วมึงก็ทํามันต้องทางธรรมต้องมีน้ําหนักมากกว่าเพราะฉะนั้นจิตมันถึงมึงไปจะทําแม่งมึงไปเกี่ยวกับมึงทรนน้ําตาสักมหาเป็นอย่างมากในเวลาภาวนามันก็สโลบสบายนั่งแนวโดยความสงบ อภิธรรมการพิจารณามันคล้ายแค่ว่างๆเหมือนน้ําสักน้ําคืนเวลาถ้าพิจารณาหนักๆการพิจารณามันคล้ายแค่เหมือนน้ําสักน้ําคืนยิ่งก่อนมันเป็นสติปัญญาพัฒนามาด้วยแล้วโอ้นิสัยทหารมันยิ่งพร้อมในเรื่องมันเสริมกันเหมือนจะจะเหมาะกับดินปัญญาจึงออกคุณค่าเดินคงไม่ลืมไม่ล้ําเวลา เดี๋ยวผมก็กำลังจะนั้นกันเสร็จแล้วจะมาทางตัดขวาดทางนี้นี่นู่นน่ะอันนี้มันเสร็จอยู่ข้างล่างตรงทางตัดขวาดกันบ่าย 3:00 น. ยังคุยกันเอาอย่างนั้นนู่นตัวฝั่งลูกกลางเค้าเรียกทางนี้เค้าเรียกว่าเหล่าส่วนล่างได้พลังไม่มีต้นไม้เลยมันทางคง คงแนวยาวๆเป็นครานี้เคยถึงยุ่มเกือกน้ําบ่อคงงามเอางีบดีว่างเลยผ้าพกมีสาวแล้วผมมัดติดคางแล้วเอาเหงื่อแท้ไม่สนใจมันไม่ได้ร้อนนี่ฮะคิดมันไม่ออกนี่เต้วๆเต้วๆเต็มไปเลยมีมาขึ้นท่านได้กี่ปัญญาถึงไม่ได้สงสารว่ามาคู่นี่น้ําตามันไม่ผลการเลยเวลามันหมุนไปนั้นเหมือนกระดุมบอนน่ะ มันเพลินมันบางเพลินพอตอนที่เลขแยกแยกไปมากๆมันเห็นชัดๆอันนี้จิตมันเดี๋ยวอยู่มากน้อยมันรู้มันรู้มันยังติดต่อกับอารมณ์มันก็รู้ขยับพิจารณาเอาพิจารณาก็รู้เงื่อนนี้อันนี้ขาดไปอันนั้นขาดไปพอหมดไปหมดไปมันใครมันไม่มีละต่อละขันธ์ทั้ง yes mm 5 มันก็สัพพวะขันธ์ได้ขึ้นมันไม่ต่อนะทีนี้ละขันธ์ทั้ง 5 มันไม่โยมอย่างภายในจิตถึงเมื่อรู้เสียงปิระของงาบมันก็ พร้อมไปมาก่อนที่มันแค่มันไม่ได้มีทั้งรูปภายนอกมีทั้งรูปภายในเอาอันใดอันหนึ่งก็ตามมันจะไม่ต้องพิจารณาเสียงไม่ต้องกลิ่นไม่ต้องรสอะไรเพราะอันหนึ่งนั้นมันจะตายกันไปเองมันบูนมันดูมันหนีมากกว่าที่จะนานรูปว่ารูปนอกรูปในมาเทียบเถียงกันมันเข้าใจแล้วตอนนั้นมันก็เข้ารูปในได้มันมีเข้ารูปในเป็นอธิปาทะทําได้อย่างเต็มที่แล้ว มันก็ปล่อยรู้สถานะมันก็ปล่อยคำว่าสุขังกับอสุภังก็เลยมันก็เป็นพาเหวนทางเดินเมื่อเดินผ่านกันหน้ามันก็ปล่อยไปก่อนมันปล่อยได้อืมเป็นมรรคมีมาในลักษณะของจิตอื่นเมื่อมันพอรับมีปล่อยในเรื่องนี้ต่อสุขะอสุภะมันก็ปล่อย กว่านี้ขันธ์มันท่านเวทนาสัญญาทั้งหลายมีอย่างมันกําลังเข้าใจมันรู้เท่าแล้วมันก็ขาดไปด้วยกันครับเนาะพอนี้ขันธ์นั้นมันมันก็เป็นปัญญาตนมัสส่วนละเอียดขึ้นปัญญาตนมัสขันธ์นี้ยืนรำแรงมันผาดโผล่คิดเกี่ยวกับโดยเฉพาะเกี่ยวกับรูปนี้ผาดเต็มมาก สวยงามจนระดับสายโจรนั่นก็คือเขานี่ทีนี้เราแค่ห่มน้ําอาภรณ์เพื่อได้เราทํางานจนค่ําเข้าไปถึงดึกน้ํานั่นเยียบมันนอนสะพรั่งทั้งไหนมันทั้งแน่นทั้งขั่วจนไปลึกไม่ได้ท่านตื่นขึ้นมาจนทั้งถึงเย็นเวลาจะนอนตะหลั่งเล่าเครเฉอที่ต้นไม้นะลึกไม่ได้ฟังสิอืม <c ười> มันความจริงมันเป็นอย่างนั้นเองมันระลึกไม่ได้ว่ามันได้เกิดตรงไหนมันไม่เคยเกิดเลยนั่นทีนี้เรียกปัญญาเป็นมากสติกับปัญญามันอยู่ด้วยกันหนแน่ตรงนี้มันเป็นน้ําหนมก็ทําในกิเลสประเภทไหนจะตนประสาทปัญญานี้ได้มีกําลังเต็มที่ที่ปัญญาคมคืนเพียงอย่างเดียวกันนี่จาลอะไรมันขาดในขาดนี้ นี่แข้งผมนี่ใช้พักผลผลดีๆพอเราลงได้ให้ส่วนมั่นแน่ที่ข้างหน้าแล้วงานมันก็ต้องขาดสะบั้นไปเลยมันถอยไม่ถอยพอยังไม่แน่มันรอซะก่อนอะไรก็ดีไม่ว่าสิ่งข้างนอกไม่ว่าใครถ้ามันยังไม่แน่มันต้องก็ต้องรอรอครั้งหนึ่งผมจะมันคล้องแล้วมันถึงจะลงมือทําถ้าเรามือทํารับเอ้ารับคือ การแก้เหมือนกันประเภทไอ้ฝนไม่พร้อมมันก็ไม่ตกที่เหล็กไม่หลุดไปเพราะไอ้ฝนทางด้านปฏิบรรดามันพร้อมแล้วอยู่ไม่ได้ไอ้ประเภทขวางใจนั้นนั้นถ้าขาดพับคลี่เข้าใจอืมออกใช่มั้ยคุ้ยเสียจริงๆงานพยายามแก้พยายามฝึกอย่างนั้นอย่างผมก็แก้ที่ประเภทนี้นั่นคือไอ้เจองานแล้วพอแก้นี้ขาดไปเข้าใจแล้วทีนี้พอเข้าใจแล้วทีมันก็คุ้ยเสีย มันไม่ว่าคุยเถียงหามันไม่มีทางอยู่ตรงนั้นมันมีกิจอยู่ตรงไหนเอามันนี่ก็เป็นง่ายอันหนึ่งนอนคุยเถียงหาพอเจอแล้วก็เอากันน่ะสิตรุมวอนกันมันก็เป็นง่ายอันงานมันน่ะหนักกว่างานคุยเถียงถ้ามันหมดไม่มีแนวที่จะคุยเถียงมีแนวที่จะพูดกับคนแล้วมันดิบเองที่ปัญญาพอแต่ปัญญาก็เป็นสมมุติเออ ทุกขสมุทัยนิโรธมากเป็นสมมุติทั้งนั้นมันเห็นจริงนะจะไม่คลาดนะถึงเวลาทุกขก็เป็นกิริยาที่เกิดที่ดับสถานการณ์อื่นที่เกิดนี้ภาณากาลิกิทุกข์สุขก็ดีนี่แล้วจะว่าจะทุกข์นั้นน่ะสุขก็ดีป่ะมันพิจารณาแล้วมันมันเสมอไปนั่นน่ะหือถ้าสุขเป็นสิ่งที่ขัดโรคข้างคางไม่ไม่สุข เรเราก็เข้าถึงกันได้ส่วนคิดเอามาพื้นภูมิที่มาเจตแจงแล้วทุกขเวทนานี่มันก็เป็นนามธรรมเหมือนกันในหลักปฏิบัติมันมันทั่วๆนี้ไม่เพียงแต่ทุกข์แต่ทุกข์มันเป็นสิ่งที่ทรมานจิตใจเราทรมานร่างกายเรารับความทุกข์กามแบบคิดจึงต้องต่อมากส่วนสุขนี่มันจะหลงเช่นยังติดสมาธิอื่นน่ะก็ติดสุขก็ติดเวทนานี่ทุกขเวทนา ติกะมาทีอาตมภาพขะถึงมาที่ติกะโมมสมานมันก็ติด 2 เดือนเวลาเราแยกให้มันเป็นความสมุหภาคสมกับอังการนิพพานแล้วชุมกับทุกข์มันเป็นอาการหนึ่งเป็นสมมุติในการพลันอ่าสมุทรไทยก็มันก็เป็นสมมุติสิ่งที่ฟังกับฟังกันในจิตอาการที่มันแสดงออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายกุงภาคหมายมาทางทั้งขังทั้ง สัญญาทั้งหลายมันต้องเป็นอาการหนึ่งตํารูทัยการพิจารณาเครื่องไทยก็ต่อต่อมูทัยไม่เอามานับถอนจริยมาถอนนี่ถ้าจะทําเสี่ยวโยมอย่างนี้โดยหลักธรรมชาติการปฏิบัติต้องเกี่ยวโยมกันเราจะได้กําหนดรู้ทุกข์แล้วถึงจะเอ่อละตํารูทัยซึ่งจะจะทํานิโรธให้เกิดยินจะเกิดมามันอะไรอืม มันแจ้งด้วยอะไรมีโรคทําไมแจกไม่แจ้งเลยทําไมแจ้งไปมาเอาเลยมาแจ้งอืมแล้วสมุทัยมั้ยล่ะด้วยมาเอาอะไรมาละนั่นตรงนั้นที่ตรงนั้นครับพอสมมุติเมื่อพอรู้ทุกข์นั้นนะยูนทุกข์มันจะค้นหาสาเหตุทุกข์นี่มันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากทางร่างกายถ้าเห็นมันคือยังไงร่างกายนั่งนานอ่ะของนี้มีสาเหตุมันคือเพราะร่างกายวิการจนไข้ได้ป่วยเนี่ย มันก็รู้แค่อย่างงั้นแหละแล้วที่มันมันจะเกิดขึ้นได้ทุกมากนั้นเพราะอะไรสาเหตุมาจากไหนมาจากติดติดพระพุทธพระมหาอย่างพระทั้ง 3 อย่างเป็นมันมีความด่างอันนี้คือทางหาอะไรมันไม่มีอื่นพอความหิวความโหยมีสมุทัยอ่ะอันนี้มันเกิดมาทางไหนมันมันย้อนมันย้อนมาไหนกิริยาที่ย้อนไปมาคนให้นะคนนี้คือมากแล้วนั่นไม่ว่าอะไรพอเข้าใจแล้วมันก็จะ ผู้บริหารดับไปนะครับนี่นี่โรดนี่ภาวะจะเป็นการทํางานนี่โรดมันทํางานอะไรมากคุณพูดทํางานเหมือนกับความอื่นปรากฏขึ้นมาจากการรับทานรับทานมากละพันน้อยมันก็หยุดไปเป็นลําดับลําดับนี่โรดนี่ลําดับทุกข์คือความหงุดหงิดไปดูลําดับๆมันก็ดับแบบนั้นแหละโดยการรับทานไม่ใช่ว่าโรดจะต้องหน้ามาทําหน้าที่ตนเองโดยลําพัง ผู้มรรคเห็นเป็นผู้ทําหน้าที่แท้ๆภพก็ก็ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นทุกข์ทั้งหลายสมุทัยเป็นผู้ทําคือออกมาเป็นทุกข์อันนี้จึงเป็นพระมุตตังนั้นถ้าจะทําทั้ง 4 เป็นทางเดินเป็นเครื่องมูลภาคปันกิเลสเป็นเครื่องระงับดับกิเลสนี่จึงสมุทัย หนักด้วยมากมันเกี่ยวโยงกันนั่นแหละแยกกันไม่ออกถ้าจะทําทั้งสิ่งแยกมันออกจอนึงกับทุกพวกถึงกันหมดนี้พร้อมพร้อมแล้วนะมรรคพร้อมแล้วกิเลสหลุดรากว่าจักได้หมดแล้วคําว่านิโรธคือการดับทุกข์อย่างสมิทธิ์มันก็เป็นขึ้นมาเองก็ไม่มีกิเลสจะทําอะไรให้ทุกข์เนี่ยมือกิเลสเป็นผู้ก่อกวนให้ทุกข์เป็นผู้รู้แยกก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอารมณ์จะโทษก็กระดากก็นี่ก็กิเลสตาย งานไม่พูดง่ายๆเราจะพูดว่าใครที่เรียกตานี้แล้วใครก็มาก่อทุกข์ท่านที่เหตุการทุกข์ดับไปด้วยพระผู้ทุกข์ซึ่งเป็นตัวผลเกิดมากันนี้นั่นน่ะมันนิโรธที่เมื่อทุกข์ดับไปแล้วกิเลสดับไปแล้วใครผู้รู้กิเลสดับดับไปแล้วใครผู้รู้กิเลสดับไปแล้วงั้นน่ะคือจะกระทำอันนั้นอืมผู้พึงระลึกโลดมรรคเป็นปฏิธรรมผู้ถอยรู้ง่อมมรรคธรรมะที่โดยสมบูรณ์จนถึงกับว่า ทุกดับไปหมดโดยสิ้นเชิงนี้มรรคะกระทํานี้คือผู้บริสุทธิ์แล้วนี้เราเป็นที่แล้วรู้ได้เป็นที่แล้วบริสุทธิ์นั่นน่ะพอถึงขั้นนั้นแล้วพอที่ปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกียวที่เรียกว่าอนุมาตธรรมที่หมุนค้นหาเหตุหาผลหาที่กดที่เครื่องนี้ระงับไปเองไม่ระงับก็จะประพันธ์อะไรอืมจะไปผล พุทธะหาอะไรหาสิตัวไหนก็กิเลสหมดไปก็รู้อยู่แล้วว่ากิเลสหมดไปไม่มีที่สุดพุทธะคนเนี่ยปฏิกาธิคคิยจึงท่านสิกโกเต็มหัวใจแล้วก็จะไปค้นหาอะไรที่ปัญญาก็เป็นทั้งหมดอันนี้ก็ก็รับไปโดยโดยคุณต้นเอามาโดยที่คุณต้นก็คือว่าก็พาสิ่งที่จะแก้สิ่งที่จะให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจให้ถึงที่จะให้ต่อไปมันหมดกันอย่างนั้นจะมาทดถามอะไร ถ้าเป็นนี่ก็จะฟังอะไรเนี่ยงงๆไปเลยครับหลังจากนั้นแล้วถ้าว่ามีสติข้อธรรมไม่ว่าคือว่าที่มีสติแต่ว่าไม่มีสติมันไม่ถูกเพราะเป็นอังสมุททั้งนั้นจะพูดได้แต่ว่าบริสุทธิ์แล้วทําอันนี้แน่ก่อนมีท่านว่าพระอรหันต์ท่านสติญิบุนละพระอรหันต์มีสติอันไผบุญนี่จะพูดได้ในเวลาที่พระอรหันต์นั้นถูกอธิกรณ์ เช่นมีคนมาฟ้องร้องว่าท่านทําผิดอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนสมมุติทําผิดอย่างหนักมากอะไรบ้างเช่นเห็นพระอะไรถ้าถ้าทําในระบุเนี่ยมันก็ต้องก็ก็บางทีว่าอะไรจะมาติดปนดุกังนี่ถ้าเอ่อถ้าประมาณระบุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านเป็นเป็นผู้สิทธิ์ติญี่ปุ่นละมีฤทธิ์ประบุญแล้วอย่างนั้นก็ สม납 รองทันทีอย่ามายุ่งเรื่องสมมุติถ้าพูดไปตามเรานะ อันนี้เป็นจิตที่สมมุติอันนั้นเป็นสมมุติสมมุติมาอยู่เหมือนกันมันถ้านิสัยของสมมุตินี่มันจิตตรงนี้มันก็ยกขึ้นมาแล้วก็เป็นสติปุละแล้วคือว่าสติภายบริบูรณ์ก็มันว่างๆพูดง่ายๆว่าจิตสมมุติต้นที่แล้วน่ะขั้นสมมุติไม่เกี่ยวกับเรื่องโลกสมมุติใดๆทั้งสิ้นอันนั้นมันเป็นสมมุติหนึ่งเรื่องข้อเรื่อง 2 เรื่องสั่วอะไรเรื่องโหสมมุติเพียงมีสิ่งสุขนั้นคือมันว่างๆ ท่านมีว่าท่านยกมาคู่เพื่อเพื่อรับกันครับสมมุติที่เขาห้องลาวนั้นรับกันด้วยสตินี่เป็นญี่ปุ่นรับผู้มีสติภารมุญปกติแล้วแต่ว่ามีสติหรือไม่ไม่มีสติท่านไม่นิยมท่านไม่เสถไม่สังขึ้นมาจริงตามความจริงอยู่ตามความจริงเท่านั้นเองไม่ว่าท่านวิสุทธิวิสุทธิกับใครทั้งนั้นก็ไม่เคยสําคัญตัว นี่เจ้าบ้างไทยก็ไม่สําคัญตัวดีกว่าใครก็ไม่สําคัญตัวต้องตั้งใจเพียรปฏิบัติมีมากมาษณาท่านไม่มีราทั้งนั้นเพราะเรามีเป็นสมุททั้งหมดเราอยู่ตามหลักธรรมชาติธรรมชาตินั้นมันนอกเหนือจากความเสียดสังพันธะและเหยียบย่ําทําลายมีอะไรอยู่นั่งนั่งการปฏิบัติทําให้นิ่งว่าลึกเวลานี้มันแคบพนาองค์กรรมฐาน พญานัยนี่มันก็ร้อนถ้าข้อวัดปฏิบัติมันเหมือนกันใครก็ทุกข์ทุกข์อะไรก็ว่ากิเลสนั้นมันที่กิโลกรัมนี่มันเห็นแต่โลกไม่เห็นแต่ธรรมมันก็ต้องเหยียบย่ําทําลายธรรมไปเห็นมองดูความตายผู้มุ่งธรรมมองดูความตายตนอะไรจนไม่เถอะวิบากข้าวนั้นมันมากินนี่มันไม่ตายเนี่ย ธรรมะสมบัติหนึ่งของเลิศเราต้องการหาธรรมะที่เลิศนี้มันไม่เลิศด้วยการการกินกบโกบทั้งแสนทั้งหมื่นหว่านอย่างเงี้ยแล้วก็เลิศด้วยการถอดขนเตดออกให้เป็นธรรมล้วนๆทั้งต้องการความเลิศนี้มีธรรมแก้ตั้งตั้งใจให้มีความเด็ดเดี่ยวจริงจังต่อตัวของมังอย่างน้อยเลยตัวเลือกคอนโทรลเหมือนหลักกับที่ผ่านนี่ไม่แน่ ที่ต่างโฮมมันตอนเวลานี้แจกมากก็ถามก็มีนายญาติมีคนหลายท่านเดินเข้ามาในเค้าหัวรอเราก็ได้พูดไว้ตามนั้นเสมอพระนี่ไม่เคยได้เรื่องรายละเอียดนะก็บอกเคยรู้เรื่องพอถ้าเจ้าพระผู้ใหญ่มีประสาทมาเกี่ยวข้องมันก็มันจะถามมากขอเธอดําเนินพื้นธรรมพระคําพึงอยู่ตามวิสัยพระผู้น้อยมาด้วยความฝึกการไม่เคยอยากว่า ทำบังทีไล่ก็เลยเปิดเปิงกลับมาตรงนี้อะไรก็คือความไม่รอบความนั้นเรื่องเหล่านี้คือมัน <c oughs> 3, 3 องค์ก็จะออกทําทําองค์นี้จะไล่ออกไปถ้าผู้นี้มีคนคิดเป็นที่หมอสมัยก่อนว่าทําไปด้วยความโง่แล้วแล้วออกตรงนี้นะหมายถึงนี้นะปกติแล้วมันยุ่งกับใครอยู่แล้ว ตามธรรมะสอนตัวของฉลาดนำมามุ่งผิดนี้ตั้งใจปฏิบัติดูด้วยกันไม่เป็นของภิกษุลังถาวรนะเคยพูดซ้ําๆภิกษุผู้บายอาจารย์ภาระธุระในหน้าที่ท่านรับเองเดี๋ยวพวกคนตั้งใจนําไปปฏิบัติตามไม่ว่าแล้วก็